เพิ่มเพเดียวนี่ก็เดือนเจ็ดเลยนะเนี่ยนี่มันเก้าค่าเดือนเจ็ดนั่นนี่เมื่อวานมันพระใช่ไหมพระแปดค่าเดือนเจ็ดแป๊บเดียวเดือนเจ็ดแล้วเดือนเจ็ดเลยอีกเดือนเดียวอีกอาทิตย์หนึ่งแล้วก็เลยอีกเดือนเดียวสิ้นเดือนเจ็ด ลกลางเดือนแปดเขาเข้าบันสายแล้วแปบ๊แปบเดียวเพิบๆเดียววันนี้งานก็ไปตั้งแต่ออกบันสามาก็ไปติดอยู่ที่โรงครัวนั่นนะ่ะงาน น, ะนั่นยังไม่เสร็จนั่นนะ่ะรืออันนั้นเลกากลังรือ้อห้องน้ำอีกนั่นนะ่ะเลยต้องอะไรทำให้มันอีกห้องน้ำเต็มเดี๋ยวเต็มเดี๋ยวเต็ม ทำให้มันน้ำแล้วเลยตัวโปรใหญ่ก็ยังไม่เรียบร้อยแล้วอีกกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอีกห้าปอร์เซ็น ไ, ไหม <c oughs> วันเวลาก็ล่วงไปวันเวลาล่วงไปล่วงไปล่วงไปเรามาคิดถึงอจินกรรมของงานของเรา เช้าขึ้นมาไปเจออย่างนี้เช้าขึ้นมาไปเจออย่างนี้ค่ำลงมาไปเจออย่างนี้เที่ยงเข้ามาไปเจออย่างนี้เจออย่างนี้ซ้ําๆำซักซักบางทีเราก็เพลินไปกับความเป็นอยู่ของเราเช้ากลางวันค่ำเช้ากลางวันค่ำบางทีก็เพลินไปบางทีบางทีก็หน่าเบื่อมันซ้ําซาก บางทีมก็น่าเบื่อซ้ำซากเอาอีกแล้วเข้าปากเข้าท้องอีกแล้วเอาอีกแล้วถ้าเราดูไม่ออกมันก็น่าเบื่อถ้าเราดูถ้าเราดูออกนี่แหละกองทุกกองสังขารถ้าเราดูออกนี่แหละกองทุกกองสังขารร่างกายเป็นกองทุก มันเป็นกองสังขารขึ้นชื่อว่าสังขารนนมันเสื่อมไปมันสิ้นไปเสื่อมไปสิ้นไ ป, น ไ, ปไม่มีอะไรอยู่ท่าเดิมตอนค่ำเมื่อวานก็ใส่ไปแล้วเช้าขึ้นมาหายแล้วใส่อีกแล้วมันเข้าไปมันก็เป็นโรงงานมันก็บดมันก็ย่อยเอาไปบำรุงตรงนั้นซ่อมแซมตรงนี้ส่วนหนึ่งที่เราได้คือกําลังวังชา จากอาหารลองเราไม่ใส่ลองดูที่เบื่อดิลองไม่ใส่ลองดู ด, ดุทุกแล้วทุกเพิ่มมากขึ้นอีกร่างกายอยู่ด้วยอาหาร ส, สับเปสตาอาหารอาหารทิฏฐิกาสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารเครื่องนุ่งห่มไม่ต้องนุ่งห่มก็อยู่ได้ที่อยู่อาศัยไม่ต้องมีก็อยู่ได้ รถราบ้านช่องไม่ต้องมีก็อยู่ได้ขอให้มีอาหารชีวิตนี้อยู่ได้นี่เลยเป็นเรื่องจำเป็นเรื่องหนึ่งใส่เข้าไปสองชั่วโมงสลายไปแล้วสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงสลายไปแล้วต้องหาให้อีกแล้วคือภาวะกองทุกข์ที่มันแสดงให้ปรากฏกับเรา ถ้าเราเห็นเป็นไอจินกรรมอีกไม่ได้คิดถึงเรื่องทุกข์เรื่องหน้าเข็ยดหน้าหลาบหน้าอะไรต่ออะไรล้วก็อยู่อย่างนั้นถ้าเราเห็นเป็นเรื่องหน้าเขียดหน้าหลาบเราก็พยายามคว้าหาสิ่งที่ดีกว่าเหนือกว่าอคว้าสิ่งที่ดีกว่าเหนือกว่าอาศัยอัตภาพร่างกายเหมือนอาศัยซากศพสมมติเราไปลอยคออยู่ในทะเลเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะอาศัยเลย มันมีศพเน่าล อ, อยมาข้างๆพอไปพยุงพยุงเกาะพอไม่ให้มันจมร่างกายของเราเหมือนศพเหมือนซากศพอาศัยอาศัยมันพยุงพอพอพอได้พอไม่ให้มันจมแต่ถ้าหากพิจารณาให้ได้ประโยชน์นก็ได้ประโยชน์พิจารณาให้เห็นโทษ ถ้ไม่พิจะรให้เห็นโทษม่นมีแต่เพลินมีแต่หลงตัญหาพาให้เราหลงตัญหาคือความอยากความดิ้นรนความเที่ยวทยานตัวนี้แหละพาให้เราหลงบางทีมันก็ยุบให้คิดของเรานี่ดิ้นรนเทียวทะยานจนขาดการยั้งคิดขาดการนึกคิดเสียท่าอีกแล้วเสียท่าอีกแล้วไม่ทันมัน มันดึงไปแล้วไม่ทันมันเสียท่ามันอีกแล้วทุกอีกแล้วเสียท่าก็คือทุกนั่นแหละทุกอีกแล้วทุกอีกแล้วดูตั้งแต่พื้นพื้ น, นขยับเข้าไปจนถึงความละเอียดเข้าไปถ้าประสิทธิจากการสํารวมระมัดระวังการศึกษาธรรมประพฤทิธรรมปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ย อยู่ลําบากอยู่ยากคําว่าอยู่ยากก็คืออยู่อย่างทุกอยู่อย่างมีทุกข์ถ้าเราอยู่แบบศึกษาประพฤติ ธ, ธรรมปฏิบัติธรรมเราจะอยู่ด้วยการศึกษาสิกขาสิกขาศึกษาอยู่แบบถือตามธรรมประพฤติตามธรรมปฏิบัติตามธรรมอยู่อย่างศึกษาอยู่อย่างใคร่ครวญไตรตรองรู้เหตุ เพื่อความสุขที่แท้จริงรู้เหตุเพื่อความทุกข์ที่แท้จริงรู้อุบายรู้วิธีหลบหลีกปลีกตัวจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นทั้งอกตั้งใจเสียสละบำเพ็ญอดทนเอออย่างนี้พออยู่อยู่อย่างศึกษาแล้วก็สิ่งที่จะพึงได้ก็คือ สิ่งที่จะพึงได้ก็คือรู้เท่ารู้ทันสิ่งที่มันจะมาก่อทุกข์ก่อโทษโดยเฉพาะอัตภาพร่างกายมันเป็นทุกข์เป็นโทษทั้งดุนอยู่แล้วเพราะมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายนอกจากนั้นแล้วมันก็เสื่อมสลายไปหาใส่ให้มันนี่แหละพวกเราต้องดิ้นรนขวนขวายเพื่อหามาใส่ให้มันหาหาหาอาหารนะมาใส่ให้มัน หาเหตุหาปัใจจัยให้กับมันเพราะมันต้องการเหตุต้องการปัจจัยเหตุปัจจัยเหล่านี้เพื่อจะไปป้อนโรงงานเนี่ยร่างกายนี้เป็นโรงงานโผล่ขึ้นมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่โผล่ขึ้นมาปั๊บเป็นโรงงานตั้งแต่ตอนนั้นมาจนเดี๋ยวนี้โรงงานนี้ไม่เคยปิดไม่เคยปิดเลยโรงงานนี้ใส่นุ่นเข้าไปบด ย, ย่อยใส่นี้เข้าไปบด ย, ย่อยนอนอยู่ในท้องแม่ดูดเลือดดูดเนื้อของแม่ ไ้บดไปย่อยมันอยู่เฉยที่ไหนมันไม่อยู่เฉยมันเสื่อมไปมันสิ้นไปนี่คือกองทุกข์ทุกขงังทุกขงังทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ด้วยเหตุที่มันทนอยู่ไม่ได้แนละ้วมันเปลี่ยนไปทนอยู่ไม่ได้เป็นทุกขังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังเราดเูเห็นเป็นกลุยหมายปลายทางอันนี้แหละเป็นโทษสูงสุดที่เราที่เรามองเห็นแล้วทำให้เราสนใจ คว้าหาอาจหาธรรมคว้าหาที่พึ่งไม่งั้นมันไม่ควา้ามันติดมันจมปลักมันมีความสุขมันหมกอยู่กับคิดตรงคิคลนกองใบไม้กองขย ะ, ะหมกอยู่ในโลกหมกอยู่ในโลกโลกก็คือโลกโูปเสียงหินรัตพอตภะธรรมมาตมโลกก็คือโลกของกรรมคุณ จมอยู่ในโลกติดอยู่ในโลกค้างอยู่ในโลกหมก อ, อยู่ในโลกุริจาทานทรงตรัสโสทั้งหลายจงมาดูลโลกนี้อันตรการตาดุจราชรสที่พวกคนเข่าหมาะอยู่เราเป็นคนเขา่าเหมาะอยู่ในโลกโลกนี้มันตรการตาด้วยรูปด้วยเสียงด้วยกลิน่นด้วยรส ด, ด้วยสัมผัสมันทงให้เราเพลินไปเป็นอย่างๆเพลินไปเป็นเรื่องๆ เลินไปเป็นเวลาเวลาเป็นวันวันไปเวลามาประเมินดูได้รับผลความทุกข์มากกว่าความสุขเรื่องของกามนั้นกามาคุณกามาคุณมีคุณอยู่มีคุณเล็กน้อยจะมีโทษมากแต่ถ้าเราเจริญตามธรรมเดินตามธรรมอัตภาพร่างกายของเราเนี่ยเป็นกองทุกข์เป็นกองโทษแต่มีคุณด้วยการพิจรารณาให้เห็นโทษ ตักอาศัยอัตภาพร่างกายนี้ประกอบคุณประกอบอย่างนั้นประกอบอย่างนี้ไหวพระสวดมนต์ประกอบคุณงามความดีสร้างทําอัถสาระประโยชน์อัตภาพร่างกายประโยชน์พื้นๆแต่ประโยชน์พื้นพื้นก็คือเป็นประโยชน์ที่ถูกฉาบทาอยู่กับสิ่งเหล่านี้แหละอยู่กับกรมคุณทั้งหลายทั้งปวงเป็นประโยชน์ที่ถูกฉาบทาติดแน่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้น ถ้าเป็นประโยชน์เลยนั้นไปอ่าถึงพอจะมองเห็นคุณเห็นโทษมันใช้สอยมันแล้วก็ใช้สอยไปด้วยมองเห็นคุณเห็นโทษด้วยคุณเราก็พยุงเอาไว้โทษแล้วก็ดูเพให้เข็ดให้หลาบทั้งหน่อยหนึ่งก็ไปกันละเพราะทุกคนมีความตายดักรออยู่ทุกคนความตายดักรออยู่เจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้น พอไปถึงวัยเสื่อมว่าเสือเส่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงบางทีมันไม่ถึงที่สุดสิ้นสุดของอายุไขเสื่อมลงไปกลางคันก็มีคำว่ากลางคันหมายหมายความมันยังไม่ถึงอายุไขต้องไปมันก็ไปเจยบไข้ไดป่วยไปแล้วประสบทุกข์โทษอุบัติเหตุไปแล้ว บางคนก็ยังไม่ออกมาจากท้องแม่กับไปแล้วออกจากท้องแม่มายังไม่ได้ดูดเห็นโลกถนัดบางทีกับไปแล้วอยาบขึ้นมาหาดเดินเป็นหนุ่มเป็นสาวหมดอายุไขซะก่อนหมดกรรมมันไม่ใช่หมดกรรมคือกรรมมันตามกรรมมันตามทันกับไปแล้วทุกวัย การเวลาล่วงไปไวัยก็ล่วงไปอายุสังขารล่วงไปถ้าเราไม่ขวนขอยเอาประโยชน์จากการเวลาเหล่านั้นเราก็เสียเวลาเราก็เสียประโยชน์เสียการเสียเวลาเสียประโยชน์แต่ถ้าเราคว้าประโยชน์ได้การเวลาเหล่านี้แหละช่วยเพิ่มพูนประโยชน์ให้กับเราความพาคความเพียรความสาพยายามความอดความทน อะไรคือดีที่สุดอะไรคือเหนือที่สุดยึดเอาวันนั้นเดินตามอันนั้นเพราะทุกคนหวังความสุขหวังความเจริญแต่ต้องหมายให้ถูกเหตุเพื่อความทุกข์แต่ไปสําคัญมั่นหมายว่าเพื่อความสุขนี่แหละนี่แหละนี่แหละสีขาวจุ่มลงไปหลับตาจุม่มเวลาไปไป้ายอ้าวเป็นสีดําจ่อย เพราะอะไรเพราะไปจุ่มถูกสีดำเอาไปทาก็ต้องเป็นสีดำเหตุกับผลให้ผลตรงกันไม่เคยผิดเพีย้ยนเหตุดำก็ต้องดำเหตุแดงก็ต้องแดงเหตุขาวก็ต้องขาวผลตามมาเหตุสุข ก, ก็ต้องสุขเหตุทุกข์ก็ต้องทุกข์ทำดีไม่ได้ดีทำชั่วได้ดีมีถมไปนี่คือหลับหูหลับตาพูด เอากวมปัญทุบดินไม่ใช่เอาคมปัญทุบดินเอาหัวถูดินไม่มีเหตุไม่มีผลไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุไม่มีผลพระเจ้าว่าให้ถูกไม่รู้จากเหตุไม่รู้จากผลไม่รู้จักอะไรเป็นเหตุของอะไรไม่รู้อะไรเป็นผลจากอะไรไม่รู้จากเหตุไม่รู้จากผลนี่พวกเรามันอับจนตรงนี้แหละที่เราให้หูตาสว่าง กับมืดบอดทำให้เราพอจะมีความสุขเาบาเบาสบายปลอดโปรง่งกับมีความทุกข์มืดทึบปิดหูปิดสติปิดปัญญาก็คือตรงนี้แหละเสียท่าตรงนี้แหละให้ครัวให้ดีศึกษาให้ดีโยอย่างศึกษาธรรมพระพุทธธรรมปฏิบัติธรรมโลกนี้น่าอยู่น่าอยู่อยู่เพื่อศึกษาธรรมพระพุทธธรรมปฏิบัติธรรม ถ้าถ้าอยู่อย่างหมกหมกอยู่ก็คือเท่าเดิมสุขจากสุขเวทนานิดนิดหน่อยหน่อยแต่ว่าความทุกข์มากมากกว่านั้นด้วยเหตุที่มีความสุขนิดหน่อยนี่แหละมันทําให้เกิดคุณค่าในใจของเราที่เราเคยยิ้มยิมย่องยึด้ตสุขไม่มองดู ก, กองทุกข์ที่ใหญ่หลวงเหล่านั้นอมันก็เลยเป็นเหตุเพลินเพลินอยู่ไปในโลก พออยู่ไปในโลกได้หมกอยู่ในโลกได้พิจารณาดูว่าเราถูกหมกอยู่ในโลกคิดแล้วก็น่าเครียดแค้นชิงชังให้กับตัวเองแหมมันจะได้ฮึดต่อสู้คุณผู้ชมทำไนจะออกได้ทำไมาจะออกได้ทำไมาจะโผล่ไปได้ทำไมอยากขยับก้าวพ้นไปได้มันใครครวนที่จะเรียกว่าดัมริชอรชอบดัมริชชอบ ดำริอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าดําริชอบสัมมาสังกปะดําริชอบดําริออกไม่ได้ดำริออกจากโลกไม่ใช่ดําริหมกอยู่ในโลกดําริออกจากโลกนี่ธรรมะของพระเจ้านะที่จะพูดไปแล้วพวกเราเหมือนพระธรรมในเยอะอยู่ทุกยักยะทุกเวลาเพราะเราไม่เดินตามธรรมเหมือนพระ อริยะท่านเนี่ยหัวเยอะเราตลอดเขาคนเขาคนเขาหมกอยู่ในโลกแห <c oughs> มจบมาไม่รู้ตั้งกี่ด็อกเตอร์คนเขา ว, ว่าคนเขา <c oughs> จบมาไม่รู้กี่ด็อกเตอร์ว่าคนเขาเรียน ตำลาจบมาแตกมาไม่รู้กี่ตู้ <c ười> คนโง่คนเขาเจ็บแสบนะโอ้ธรรมะเนบไพนี่เจ็บแสบใครระลึกได้อย่างงี้เออพอจะขยับออกได้บัาง <c ười> อ้าให้พรให้พร